อาจารย์ศรีลาเมื่อพักอยู่สามคืนแล้วก็ลาไปมีชายสองคนตามไปส่งประมาณสี่ห้าเซนพอที่จะไม่หลงทางแล้วก็ให้เขากลับเพราะไม่ถนัดภาวนาเดินข้ามโคกใหญ่โคกโตจึงถึงบ้านวาเป็นเวลาบ่ายประมาณสามโมงเย็นไปพักวัดป่าท่านอาจารย์ศรีลาทั้งพระทั้งเนนอยู่นั้นประมาณสิบรูปวางบริขารไว้ที่ควรแล้วน้อมมรการกราบท่าน องคท่านทักทายปลาใสยเยือกเย็นแล้วขอโอกาสองค์ท่านจะเอาใบสุติของตนจะค้นเอาในบาทมาถวายองค์ท่านเพราะใบสุติเอาไว้ในบาทท่านพูดว่าอย่าเลยท่านเอ๋ยไม่ต้องดอกผมดูพลับเดียวก็รู้ได้นั่นรองเท้าของท่านขาดบ้างแล้วจงตัดกับหมูซะกราบเรียนว่ากระผมยังไม่ทําตัดดอกเพราะยังเดินทางอยู่และการเดินทาง บางทีมันดังกับกับกระผมก็ถือเอาไม่ได้ใส่เลยทางเส้นไหนลบมากจึงใส่ท่านบอกสองสามครั้งติดติดกันคงจะให้จริงไม่พูดเปลยเปลยเป็นพิธีแต่ไม่ตกลงเอาแล้วท่านถามตอไปว่าท่านตั้งใจจะไปไหนเรียนตอบท่านว่าจะไปทาตพนมแล้วจะฝากเนนกับพวกอุดอที่ไปไหว้พระธาตุกับอุดอแล้วกระผมจะไปถ้ำพระเวทองเดียวพอสมควรแล้ว จะเดินล่องเขาผู่ผานโค้งไปหาพระอาจารย์ใหญ่มั่นแล้วจะมอบกายถวายตัวอยู่กับองค์ท่านยอมเป็นยอมตายให้องค์ท่านดูด่าว่าเขียนครับถามทำไมจึงไปธาตุพนมโค้งนะักมาจากอุดรก็ต้องตรงมาอำเภอหนองหานอำเภอสว่างอำเภอพันนา อ, อเมืองสกลอำเภอนาแกอำเภอธาตุพนมตอบว่าเพราะตั้งใจจะวิเวทไปด้วยเพราะไม่ด่วน ต่างสำรวจดูวิเวกของป่าในสังคมแต่ละบ้านด้วยจะได้สำเนียงในอนาคตคืนหลังว่าที่ผ่านมาในอดีตมีบ้านใดบ้านบุคคลและสถานที่จะเป็นที่สะดวกในการบำเพ็ญองค์ท่านกล่าวว่าเออก็พอฟังได้แต่ถ้ำพระเวทน้ำ น, นาท่านเหยคือถ้ำกายของเรานี้เองอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบท่านจงทำความเพียรอยู่ถ้ำนี้ให้มันคงจะพบพระอาจารย์มั่นอยู่ในถ้ำนี้ นิสัยวาสนาองค์ท่านกล่าวอย่างเยืองเย็นถึงจิตถึงใจตอบว่ากระผมไม่มีข้อแจงในส่วนนี้เมื่อกระผมมานึกๆึกแล้วเมื่อพระอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยผู้ปฏิบัติกรรมฐานที่เป็นฝ่ายธรรมยุทธก็มีชีวิตท่านองค์ท่านอยู่แต่ไม่ยอมตัวเข้าไปปฏิบัติศึกษากับองค์ท่านทั้งๆ้งที่ยังไม่เห็นองค์ท่านสักทีด้วยก็คล้ายกับว่าลายวาสนาในส่วนนี้ ส่วนผู้ที่ออกปฏิบัติภายหลังองค์ท่านมรณะธรรมไปก่อนก็มอบให้เป็นการจนใจไปแม้พระอาจารย์ที่เทศอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ไปศึกษากับองค์พระอาจารย์มั่นแล้วจึงได้สิ้นกังวลในส่วนนี้ก็ผมมีความเห็นอย่างนี้จะเป็นประการใดหนอขอรับองค์ท่านก็เลยยิ้มไม่ว่ายังไงท่านตื่นเช้าบิณฑบาตจ้ำเสร็จเก็บของมอบเสนาสนะแล้วก็ไปกราบลาองค์ท่านองค์ท่านก็ให้สมัมเนนองหนึ่ง ไปส่งบอกทางเพราะเป็นทุ่งลง่งไปส่งประมาณหนึ่งกิโลเมตรเพราะมีทางซ้อนหลายเส้นพอจะไม่หลงแล้วก็กลับวัดก็ตั้งหน้าออกเดินตามเคยเวลาเดินก็ภาวนาพุทโธเป็นหลักติดต่อไม่ขาดพร้อมกับขาเก้าออกเดินเพราะตีความหมายในพุทโธแยกไขว่าทาสงก็รวมอยู่ในนั้นแล้วพุทโธเป็นเพียงอักษรยอดเฉยๆเปรียบเหมือนเชือกสามเปลียวและเป็นอนันต์มหาอนันตกุณ อันไม่เกิดไม่ดับอีกด้วยทั้งไม่มีประมาณอีกด้วยจะเกิดดับก็แต่เจตสิกผู้บริกรรมขัดขาดวิ่นวินไม่ติดต่อเท่านั้นพระมหาอนันตคุณของพุทโธมิได้เกิดมิได้ดับไปไหนเลยนาะแม้จะย่นลงมาในปัจจุบันนคุณก็ตามก็เป็นปัจจุบันนคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้หรือจะย่นลงมาในพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหาการุณางคุณก็ได้ก็ไม่มีประมาณอีก หรือจะย่นลงในผู้รู้ปัจจุบันก็ดีก็ไม่มีประมาณอีกหรือจะย่นลงในเอกะคุณในปัจจุบันก็เป็นเอกะคุณอันใหญ่หลวงไม่มีประมาณทีนี้จะโอนพระคุณขึ้นถึงพระนิพพานก็ได้ไม่ผิดเพราะเป็นพระมหาอนันตคุณอันไม่เกิดไม่ดับไปไหนผู้มีสายตายาวก็มองได้ไกลผู้มีสายตาสั้นก็มองได้ไกลผู้มีเชือกยาวก็ถึงได้ไกลผู้มีเชือกสั้นก็ถึงได้ไกล กำลังกายก็ดีกำลังใจกำลังปัญญาก็ดีไม่อยู่ระดับเดียวกันผูกขาดและก็ไม่มีใครจะจับจองเหมาขาดตัวไว้ในวงแขนแต่ตนผู้เดียวนักสตินักปัญญามีอิสระจะรู้ได้ทั้งนั้นแต่รู้ดีปฏิบัติดีไปทางโลกุตตะละจึงเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าเพราะทรัพย์สินใดๆในโลกาไม่เท่าทรัพย์และสินทางโลกุตตะละ แต่ผู้มีใจสูงทำสูงจึงจะพลอยยินดีเลื่อมใสได้ผู้มีใจต่ำทำต่ำกรรมและผลของกรรมต่ำผูกมัดรัดลึงไว้ก <_ may> ็จําเป็นอยู่นั่นเองป่าปเปลี่ยวอันตรายจงตั้งใจภาวนากล่าวเรื่องเดินทางต่อไปออกจากวัดป่าบ้านวาถึงวัดป่าสีเวินชัยพอดีพักอยู่สองคืนหรือเรียกว่าถึงสามผงแล้วก็ได้ฉันเช่าเสร็จเดินทางต่อถึงบ้านดงน้อยเข้าพักวัดป่าบ้านนั้น ไปเจอเขากำลังทำบุญบ้านเลืองเขามีพระอาจารย์บุญมาสามผงเป็นประธานในการบุญของเขานั้นและมีมหาอาบเจ็ดประโย ค, โยคก็พักอยู่ที่นั้นท่านมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมบ้านข้าพระเจ้าพักบาดบริขารไว้ศาลาแล้วพาสามนเณรเข้าไปกราบพระอาจารย์บุญมาท่านถามข่าวเปล่าวความประสงค์กว้างขวางเยอือกเย็นพร้อมทั้งเปิดประตูทางกายทางวาจาทางใจทุกประการองค์ท่านกล่าวว่า ต่อไปมีบ้านห่างนักเป็นป่าสัตว์ลายทั้งนั้นกลางวันแสดแสดเขาไปเกี่ยวหญ้าเจ็ดคนด้วยกันเกี่ยวหญ้าอยู่ใกล้ๆกันด้วยซ้านะเสือมันเอาไปกินอย่างผึ่งผายตะคุบได้แล้วมักตีใส่ดินตูมเดียวตายเลยคาบเดินไปอย่างผึ่งผายไม่สะทกสะทานเลยจะทําอะไรมันก็ไม่ได้นี่หัวกวางสดๆอยู่นี่ผมเอามาจากบ้านคํานกกบมันกินวันนี้แหละผมเอามาเพื่อจะเอาเขามัน นอกจากนี้ยังมีกระบือฝูงใหญ่ประมาณร้อยกว่าตัวมันเป็นกระบือที่เขาไม่ได้ต้อนเข้าขอกได้หลายปีลูกมากแม้เจ้าของมันก็ไล่ชนไล่เดืยบถ้ามีต้นไม้อยู่ใกล้ก็พอได้ขึ้นถ้าไปเจอในระหว่างต้นไม้ห่างหรือมีต้นไม้แต่เป็นต้นไม้ใหญ่หญเกินไปกอดไม่หุ้มและไม่มีกิ่งพอที่จะเหนี่ยวขึ้นไปได้ก็ดีหรือขึ้นไม่ทันก็ดีก็อยู่ในเกณฑ์ตายเพราะมันหลายตัว หลุมหน้าลุมหลังนะท่านไม่ใช่ผมขู่ขวัญให้กลัวมันเป็นความจริงนะผมว่าท่านและสามเณรจงพักอยู่ที่นี่สักสามคืนก่อนอย่าด่วนไปผมจะให้โยมตามส่งช่วยงานสวดมนต์เย็นในบ้านกับผมด้วยเพราะพระก็เหลือน้อยแล้วถ้าท่านจะไปด่วนๆจะหลงทางเพราะมีแต่ดงทางปีกหน้าปีกหลังสับสนโอลมานมากเกรงจะอันตรายมากก็ตกลงพักอยู่กับองค์ท่านสามคืน แท้จริงวัดป่าบ้านดงน้อยนั้นมีหลวงพ่อรอดอยู่องค์เดียวเขานิมนต์พระอาจารย์บุญมามาพักวัดป่าบ้านเขาทําบุญเฉยๆเพราะครบสามวันแล้วก็กราบลาองค์ท่านและหลวงพ่อรอดองคท่านจะให้โยมตามส่งไปทางบ้านคนํานกกบกราบเรียนองค์ท่านว่าจากนี้ไปไกลขนาดไหนขอรับเออก็คําพอดีเพราะผมจะส่งลงเรือล่องไปจนถึงธาตุพนมข้าพเจ้าก้มลงยกมือกราบเรียนว่ากระผมมา ไม่ได้เหตุไม่ได้ผลอะไรมาให้พระอาจารย์ยุ่งยากด้วยหน้าละอายเทวดามากขอรับและกระผมเริ่มออกจากอุดรมาก็ได้ตั้งใจไว้ว่าจะเดินด้วยฝีเท้าไม่ขึ้นรถเรือใดๆถ้าคำตั้งใจนี้ล้มเหลวก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแก่กระผมในอนาคตจะอย่างไรก็ฝากฝังชีวิตกับพุทธธรรมสงฆ์ผูคาดจองขาด เลือดทุกหยดจะถวายบูชาต่อพุทธธรรมสงทุกเมื่อนั่นแหละขอรับคงจะไม่เป็นวาจามุทุลุหรือประการใดองค์ท่านพูดกับพระและโยมเบาๆว่าเออจิตเป็นไปในพุทธธรรมสงแล้วโสเป็นโสตายอานหารคนอายุสามสิบกว่าอ่านหารพอได้แต่ก็คงเป็นเฉพาะบุคคลว่าแล้วองค์ท่านกล่าวขึ้นอีกว่าถ้าไม่ไปลงเรือก็มีอีกทางหนึ่งคือตรงทิศตะวันออก แต่อันตรายก็มากเหมือนกันเพราะบ้านอยู่ห่างไกลมีแต่ป่าแต่ดงทั้งนั้นหนทางคนแคบๆเข้าทางหนูเดินตั้งแต่ฉันจังหันแล้วก็ไม่พบคนจนค่าละองค์ท่านพูดย้ำอีกว่าเอาให้ดีนะอย่าห่างเหินจากภาวนานะรับคำองค์ท่านแล้วยกมือใส่หัวเนนก็เหมือนกันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโยมก็ตามส่งสองคนอายุราวสามสิบปี ไปไกลประมาณครึ่งกิโลก็หยุดพักถามโยมบอกให้โยมกลับโยมก็ทำท่าอยากจะไม่กลับเพราะเป็นกังวลด้วยจึงว่ากับโยมว่าใครๆในโลกนี้โยมเอ๋ยถ้ากรรตายมาถึงแล้วจริงๆก็ไม่มีสารอุทธรณ์ใดๆในโลกจงเตือนว่าแวกซ้ายหรือขวาแห่งใดบ้างเขาตอบว่าจะเก่าหรือใหม่ก็ขอให้เดินเส้นนี้ต่ออย่าได้แวกหนีทางใดเลยเออถ้าอย่างนั้น พวกญาติโยมจงกลับบ้านโดยสวัสดีเถิดบุญอันใดที่พวกอัตมาได้สร้างพวกโยมจงได้รับส่วนด้วยโดยทุกเมือเขายกมือสาธุแล้วก็ลากลับพอเขากลับไปแล้วสักครู่หนึ่งก็รับสายตาลิปลีไปได้พูดกับเนนว่าเนนเอ๋ยบัดนี้ป่าเปลี่ยวอันตรายมากแล้วพวกเราเดินตีนต่อตีนมาจากอุดรจนถึงนี้ก็ปลอดภัยทุกๆประการแต่ไม่น่าหวาดเสียวเหมือนวันนี้ จงตั้งใจเดินภาวนายิ่งยิ่งขึ้นนะเราไกลจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาต่างก็พึ่งตนเองคือภาวนาทุกๆก้าวขาเดินคือพุทโธ ถ, ถ้าไม่จำเป็นอย่าพูดอย่าถามนะและอย่าถือว่าลังเกียจกันถ้าเนนกลัวจงออกเดินหน้าเนนตอบว่าไม่กลัวดอกถึงจะกลัวมาสลับบ้านก็จะทนเอาถ้าเดินก่อนเทวดาเห็นก็จะหัวเราะและก็เป็นเรื่องฝืนๆกับภาวนา ว่าแล้วก็ตั้งหน้าเดินทางภาวนาบ่ายประมาณหนึ่งโมงก็ข้ามดงถึงบ้านนาปลาใสข้ามมืดก็ถึงบ้านอ้วนบ้านเสียวไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นไปพักวัดลางไม่มีพระเช้าบินทบาตฉ่เสร็จลาโยมเดินทางต่อที่นี่เป็นทางเกวียนแต่ข้ามดงบ่ายประมาณสามโมงเย็นก็ถึงชัยบุรีลิมแม่นม้ำโขงปากแม่น้ําสงครขลไหลออกจากแม่นม้ำโขง มีวัดเก่าๆเลียงลายเป็นระยะๆะะตามริมแม่น้ำคงมีอยู่สี่วัดมีพระอยู่สองวัดเท่านั้นพักอยู่วัดร้างหนึ่งคืนเช้าบินทบาทฉันเสร็จเขาเอาเรือมารับข้ามปากแม่น้ำสงขามไหลตกข้ามบ้านโนนตาข้ามบ้านท่าดอกแก้วประมาณสามโมงเย็นถึงอำเภอท่าอูเทียนได้แวะไปพักวัดท่าอูเทียนประมาณห้านาทีต่อจากนั้นก็ข้ามทุ่งอำเภอท่าอูเทียนไปทางทิศใต้พบพระอาจารย์อุ่น ตั้งใจว่าจะไปพักวัดป่าพระอาจารย์อุ่นอันตั้งอยู่ริมห้วยไกลจากอำเภอท่าอุทเทนประมาณหนึ่งกิโลเมตรพระอาจารย์อุ่นมีปฏิสันถานเข็งขัดมากนักองค์ท่านให้เนนสององค์มารับแต่ไกลเพราะผ่านทุ่งและเป็นทุ่งมองเห็นไกลพระผู้ใหญ่ไม่มี mana ถือตัวก็พระอาจารย์องค์นี้ละหนอพอไปถึงห่มผ้าเฉวียงบ่าตถอดรองเทา้าเก็บล่มไว้เรียบร้อยวางบริขารไว้ที่ควร แล้วก็เข้าไปกราบองค์ท่านองค์ท่านก็ชื่นบานหันษาถามข่าวข่าวสุขทุกทุกประการตลอดถึงการปฏิบัติเปิดโอกาสองค์ท่านกล่าวว่ามูติเตียนผมว่าผมฉันเจใครก็ไม่อยากอยู่กับผมผมอยู่กับเนนสององค์เท่านั้นเดี๋ยวนี้การทําความเพียรคุณจะชอบอย่างไรผมพาทําได้มักสวดมนต์ของใครของมันเงียบเงียบก็เอามักสวดมนต์แปลก็เอาด้านจงกรมภาวนา จะเอาตลอดวันตลอดคืนก็เอาด้านฉันจะฉันเนื้อป่าก็แล้วแต่คู่เขาให้มาเป็นคำที่ไม่นอกเหนือวินัยส่วนผมก็ฉันได้ทุกชนิดตามเกิดตามมีอยู่แล้วลองมาพักปฏิบัติอยู่กับผมสักระยะหนึ่งก่อนนะอย่าเพิ่งใจรีบไปกราบเรียนองค์ท่านว่าพระอาจารย์เมตตาคุรุณาเปิดโอกาสให้กับผมทุกแง่ทุกมุมโดยธรรมะจริงใจเช่นนี้ชั่วชีวิตหนึ่งของกับผมก็จะเป็นของหาได้ยากนัก แต่คำสัตย์ของกระผมที่ตั้งไว้นั้นก็มีอยู่ว่าตั้งใจจะไปให้ถึงธาตพนมแล้วจะโค้งกลับไปทางอำเภอนาแก่แล้วจะไปพักภาวนาท่าประเวศพอสมควรแล้วจะเดินล่องภูเขาผู่พันลงไปทางอำเภอพันนาจังหวัดสกล น, นครไปวัดป่าบ้านหน้องถือไปหวังเป็นหวังตายอยู่กับพระอาจารย์ใหญ่มั่นขอรับองค์ท่านตอบว่าวัดป่าพระอาจารย์มั่นก็ไกลจากบ้านเพียงสิบแปดเส้นเท่านั้นแหละ ผมได้ไปแล้วไม่เป็นวัดป่าได้เต็มภูมิดอกสัน้นส่วนวัดผมนี้ยี่บห้าเส้นพอดีเป็นวัดป่าได้เต็มภูมินะว่าแล้วองท่านก็เทศแบบถึงใจว่านกที่ถูกลูกศรของนายพนไม่ถึงกับตายขาดที่พอกระเสือกกระสนบินไปได้ก็บินไปเล่ล่อนไปในทิศทั้งสี่ฉันใดมนุษย์เทวดามาพรพลมและสัตว์ที่มีวิญญาณคลองสิงอยู่ทั่วทั้งไตรภพเมื่อไม่พ้นจากลูกศรคือกิเลส ก็บินไปในทิศทั้งสี่คือทิศเกิดทิศแก่ทิศเจ็บทิศ ต, ตายอยู่อย่างนั้นมีทิศโลภทิศโกรธทิศหลงเป็นตัวเหตุตัวพืชตัวกรรมผลฝ่ายรับก็สัมพันธ์กันอยู่ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยวนอยู่ไม่มีเงื่อนตนเงื่อนไลายเม <is> ื่อฟังองค์ท่านเทศแล้วก็จับใจมากเพราะเสียงก็เย็นภพยระนิ่มนวลมากคันพักอยู่กับองค์ท่านคืนหนึ่งชาวได้เวลา องค์ท่านพาไปบิณฑบาตในเมืองกลับถึงวัดฉันเสร็จก็กราบลาองค์ท่านองค์ท่า น, านกล่าวว่าถ้าจะไปจริงๆก็ให้ผมแสดงอาบัตก่อนผมอยู่กับเนรไม่ได้แสดงอาบัตนานแล้วว่ากาเยต่อบพุทธทํรสงเป็นส่วนมากแทนเอาว่าแล้วก็แสดงอาบัตส่วนข้าพเจ้าก็แสดงเพราะเขาลบท่านถ้าจะไม่แสดงก็คล้ายกับว่าตนลืมตัวทําท่าเป็นผู้ประเสริฐพอเสร็จแล้วก็กราบลาเดินทาง องท่านให้เนนไปส่งทั้งสองององท่านสั่งเสียซ้ําๆซักๆว่าขณะนี้ยวนเหล่ากำลังสู้รบกับฝรั่งเศสกู้อิสรัฟผ้าขืนอย่างรุนแรงจนผู้ลายก็มาดพระมันก็ป่นแม้ผ้าดํำๆมันก็เอาสองสามวันล่วงมามันคล้นสายอําเภอท่าอูเทนต่อนครพนมในระหว่างกลางดงอันกึ่งกลางนั่นเองจนนั่นก้เก๋ขี่รถจั ก, กรยานสะพายปืนพร้อมนุ่งกางเกงผ้าลินินฝรั่งเศส เพราะสมัยนั้นเพียงเท่านั้นก็ว่าโกเกะแล้วแล้วเนียนก็ตามส่งไปไกลประมาณสองกิโลเมตรก็ถึงปากดงสามมันเนียนสององค์ที่ไปส่งก็ลากกลับวัดจึงเตือนเนียนว่าเนียนเอย๋ยบัดนี้ก็ผ่านอุศรศอีกเพราะป่าดงพงไพรเงียบเย็นพวกเราตั้งใจภาวนาติดต่อทุก9ก้าเดินนะเนนแต่พอไปถึงกลางดงก็เที่ยงวันชายหนุ่มขนาดอายุราวสาสิบปี ขี่รถจั ก, กรยานสะพายปืนยาวคนลกระบอกตามก้นกันมาทางหน้าอย่างพึงไผ่พอเห็นรถมาใกล้ประมาณสิบวานก็ใช้อุบายพาเนนวางบริขารไว้ที่ลินทางแล้วไปไกลาจากบริขารประมาณสามวานแล้วใช้อุบายพูดขึ้นว่า <c oughs> เหนื่อยนักปูผ้าพักก่อนเถิดส่วนเขาเหล่านั้นพอมาถึงก็หยุดรถพร้อมกันอย่างพึงไผ่จึงหาอุบายพูดกับเขาว่าพวกอาตมาเหนื่อยมาพักเสียก่อนพูดกับเขาอีกว่า พวกคุณจะไปไหนหนอเขาตอบแบบขี้โกงว่าไปเล่นไม่มีมารยาทเคารพเลยแม้แต่นิดเดียวและเขาถามว่าขี้พึ่งมีไหมละ่ะตอบเขาว่ามีอยู่เท่าแม่มืออยู่ในบาตรเอามาจากสามผงคุณจะเอาไปทำไมตอบขี้โกงว่าเอาไปติดรถก็เลยตอบเขาว่าขอให้พวกคุณตรวจเอาเองเถิดเพราะอาตามาเหนื่อยจะเอ็นกายพักสักหน่อย เขาก็พ้นบริขารทุกอันอย่างพอใจเขาเขาหยิบเอาพึ่งนิดเดียวเท่าเมเา็ดข้าวโพดพอเขาค้นสิ่งของแล้วเวลาที่เขาจะผ่านไปตามทางที่เราผ่านมาแล้วเขาก็กราบลาแบบอ่อนโยนพร้อมทั้งขออภัยที่ได้ใช้มลายาตอันไม่งนำได้ตอบเขาว่าไม่เป็นไรดอกจงพานันเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเทือนแล้วเขาก็ขึ้นรถสะพายปืนอย่างกลืนหายจากไปเขาไปไกลพอควรแล้วก็พูดกับเนนว่าคงจะเป็นพวกนี้เอง ที่จีนกลางดงในทางเส้นนี้อันเป็นกึ่งกลางแห่งอําเภอท่าอุเทงและจังหวัดนครพนมที่พระอาจารย์อุ่นสั่งเสียพวกเราก่อนออกเดินทางวันนี้แต่พวกเราคงไม่ได้สร้างเวียนสร้างกรรมในส่วนนี้ไว้แต่พวกเราคงได้ตรวจบริขารพระเนนกลางดงอย่างนี้ไว้แต่ชาติก่อนก่อนก็อาจเป็นได้จะอย่างไรพวกเราก็เชื่อกรำและผลของกรรมอยู่อย่างสนิทแล้วกรรมเก่าแต่พบก่อนก่อนมองไม่เห็น ส่วนกรรมใหม่สิ่งไหนไม่ดีเราพยายามเว้นไปตะพึดจนกว่าจะถึงที่สุดทุกข์โดยชอบว่าแล้วก็พาสั ม, มเนนพิจัยเข้าหาภาวนาเดินตามเคยถึงวัดป่าอรัญญิกาวาสข้ามมืดพอดีสมัยนั้นพระอาจารย์งบนเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั้นพักที่นั้นหนึ่งคืนตื่นเช้าบินทบาทฉันเสร็จกลับลาเจ้าอาวาสออกเดินทางข้ามพอดีพักวัดลงบ้านดงสะพัง ตืนเช้าบินทบาทฉันเสร็จลาญาตโยมเดินทางไปขําบ้านแสนพันหมันย่อนอนวัดล้านนงมือคืนลุ่งเช้าบินทบาทฉันแล้วเดินทางถึงท่าพนมเวลาเที่ยงวันไปพักวัดป่าเกาะแก้วคราวนี้พักอยู่นานบ้างเพราะเป็นฝีที่น่องขั้นฝีหายแล้วก็ส่งเน้นฝากเน้นกลับคืนอุดรพร้อมกับพวกพระที่มาไหว้ท่าพนมส่วนข้าพระเจ้าก็เดินด้วยปีเท่าถึงบ้านนาโศก พักวัดป่าพระอาจารย์สนพักอยู่กับพระอาจารย์สนสามคืนแล้วก็ลาท่านไปถ้ำพระเวทองค์ท่านกล่าวว่าเออเหล่านี้อยู่ใกล้ถ้ำพระเวทเฉยๆไม่ได้ขึ้นไปวิเวทมัวแต่บริหารพระเนียนโชคชนอยู่บะเราก็จะไปค้นหาถ้ำก่อนนาแล้วก็ตกลงไปในวันนั้นส่วนข้าพเจ้าก็ไปถ้ำพระเวทในวันนั้นถึงถ้ำพระเวทพอไปถึงถ้ำพระเวทแล้วจิตใจก็ดูดดื่มทวี เกิดปิติน้ำตาไหลจิตใจอ่อนโยนศรัทธาสังเวชในพุทธธรรมส่งยิ่งขึ้นไม่มีที่จะเปรียบเทียบได้นึกในใจว่าครั้งพุทธกาลบรรดาท่านผู้มีนิสัยชอบภูเขาก็จะพักอยู่อย่างนี้และหนอว่าแล้วในใจน้ำตาไหลอีกกระพื้นตะผือศรัทธาก็ยิ่งปิติสังเวชแต่ในขณะนั้นก็ไม่ได้สําคัญตัวว่าวิาวเศษวิโสอันใดเลยเพียงรู้ตัวว่าศรัทธาเราดึงดูดไม่ถอยหลัง รู้อยู่เฉพาะตนเองไม่สงสัยในตอนนี้และรสชาติที่อยู่คนเดียวในภูเขาป่าเปลี่ยวไกลบ้านเงียบสงัดมีแต่เสียงสัตว์ป่าเช่นนกยุงและไก่เดือนลดจิตลดใจลดธรรมก็ดีหากวิเวกเองไม่ได้ทำท่าทำทางบังคับปัญชามโนสติวจีสติแม้ปัญญาก็เกิดกายสติเป็นกองทัพธรรมรวมกันเองก้าไปถอยกลับเหยียดคู่แขนขาก้าไปและหยุดอยู่ก็ดี ก็รู้เองไม่ได้บังคับจิตใจเบาไม่หนักเชื่อชาน้อมไปโอนไปเอง็งไปในทางพ้นทุกข์ในสงสารสมัยนั้นป่าลกชัดในบริเวณแถบนั้นมากนักหนามีสัตว์ป่านานาอนเนกมากมายนักข้าพระเจ้าก็ประหยัดในข้อวัดต่างๆผ้าอาบน้ำก็เหลือผืนเดียวบ่ายสามโมงเย็นก็ปัดกวาดรอบบริเวณพอได้ข้อวัดแล้วก็ส่งนําเพราะน้านั้นสะดวกอยู่ใกล้ไหลลินอยู่ไม่ขาดที่หน้าผา ตากไว้แล้วเดินจงกรมจนถึงมืดพอผ้าอาบน้ำแห้งแล้วก็เอาไว้ปูนอนผ้าคลุมหมอนก็อยู่ในตัวหมอนก็คือห่อผ้าสังขาตินั่นเองผ้าอาบน้ำที่ปูนั้นแหละเป็นศาสนอนคุตักน้ำก็คือกาไฟฉายและโคมไฟและเทียนพึ่งไม่ต้องถามหาต้องถามเอาเดือนกับดาวเห็นหรือมือดเป็นเรื่องของตาเดือนดาวไม่ได้รับผิดชอบด้วยมุงกฎก็ไม่กลงอีกเพราะหัวชนก็ก็แจ๊ก มันพอใจเองมันเป็นเองไม่มีใครไปยุบไปยอมมันและมันไม่ได้อยู่เอาวันเอาคืนไปอวดคนมันรู้จักเจตนาของมันพร้อมด้วยมันดูดเองเหมือนแม่เหล็กดูดเข็มหรือเข็มดูดแม่เหล็กสติไม่ขาดระยะอยู่กับตัวเกิดความอิ่มใจน้ําตาไหลไม่ค่อยขาดความยอมเป็นยอมตายกับพุทธธรรมสงฆ์แบบแยกทายนี้เป็นรสชาติอ่อนโยนเย็นสงบไม่เหมือนความยอมเป็นยอมตายด้วยความโมโหโตธโศแบบมุทะลุ รสชาติจิตใจไกลกันราวกับฟ้าดินแม่รสของภายนอกหยาบๆเช่นรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานข ม, มเมื่อชิวหาประสาทไม่พิการท่านผู้ใดแตะเข้าไปในลิ้นของตนน้อยหรือมากจึงจะรู้รสได้เป็นส่วนส่วนไปจึงจะหมดปัญหาของตนในส่วนนั้นเป็นตอนๆไปเป็นปัจจัดตังจึงจะหายกล่าวตู่ผู้อื่นว่าขี้เท็ดด้วยเป็นบางตอนแต่บางท่านก็ขี้เท็ดจริงๆท่านผู้ใดขี้เท็ด ท่านผู้นั้นก็หนักในอามิสเป็นเจ้าหัวใจอามิสเป็นสลนังขจ า, ามิท่านผู้นั้นจะไม่ลวงโลกเพื่ออามิสเป็นไม่มีเลยจะไม่สะสมความชั่วก็เป็นไม่มีเลยและไกลาจากพมจรรันเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาด้วยปรากฏการที่ถ้ำพระเวทขันพักอยู่ถ้ำพระเวทเื่อที่หกนั้นลมเข้าออกแห่งอานาปานาสติเวลาประมาณห้าทุมลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าหายใจออกเข้า ตั้งสติจ้องอยู่จนไม่ปรากฏหลอดลมที่คอหอยเพราะตั้งสติไว้ที่นั้นเสียงระเบิดตูม ล, ลงใกล้ใต้ที่พักปรากฏว่าภูผานทั้งลูกกระเด็นกระเทือนแต่ไม่ขนพองสยองเกล้าเลยใจก็เป็นสมมติว่าใจอยู่ตามเดิมแล้วหวนทวนถอยหลังพิจารณาว่าวันนี้ก็ดีวันอื่นๆล่วงมาแล้วก็ดีข้อวัดของเราไม่วิบัติอันใดดอกน้าก็ตับใส่กาวไวแล้ว ตลาดก็กวาดแล้วจงกรมก็เดินภาวนาแล้วทำวัดก็ทำแล้วการฉันก็ฉันในบาตรวมภาชนะเดียวทั้งหวานทั้งข่าวช้อนก็ไม่ได้ซดให้ถูกกับพยารถพยาลินน้ำแกงผักหวานก็ไม่ได้ขโมยซดดอกเลยเออทีนี้จะสมมติตนเป็นสองธรรมะานะมาอยู่นี่เพื่อประสงค์อะไรเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารยิงหรือจริงสีไม่มาอยู่พอได้ไปอวดคนหรือไม่ไม่ไม่ไม เมื่อเทวดาเนรมิตรพระพุทธรูปทองคำขึ้นตรงหน้าก็ดีหรือมีอยู่ในถ้านี้แต่เดิมก็ดีจะไม่แอบคิดว่าเอาไปให้คนบูชากราบไหว้ดีกว่าอยู่ในถ้เาเช่นนี้จะไม่นึกอย่างนี้หรือตอบตนเองว่าเป็นบ้าหรือเป็นบ้าหรือจึงจะคิดอย่างนั้นเมื่อถามตนตอบตนอยู่อย่างนั้นปิติใหญ่เกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าจะชนภูเขาทะลุชั่วรับนิ้วมือเดียวแต่ก็ไม่หลงตัวว่าจะชน เพราะมีสติปัญญาสมดุลกันอยู่ว่าพิติปิติอยู่ไม่หลงลืมตัวได้ไง่ายๆรู้จักคมพิติได้เพราะสุขก็ดีอุเบกขาก็ดีพิติก็ดีอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วแปลดับทีนี้ก็พูดกับตนต่อไปว่าถ้าไม่นึกขัวอะไรจริงก็นอนซะแล้วก็นอนห่มผ้าจีวรเฉวียงบาแล้วก็นอนตะแค ง, งข้างขวากาหนดลมต่อไปในอาณาปานาสติแล้วก็หลับสมิดไป ไม่มีนิมิตและไม่ฝันเห็นอะไรตื่นตีสามโดยคาดคะเนเพราะไม่มีนาฬิกานาฬิแกเหมือนทุกวันมีและเมื่อตื่นแล้วร่างกายและจิตใจก็กระปี้กระเป่ารู้สึกเบามากบางเวลาก็เกิดปฏิภานขึ้นว่าอยู่องค์เดียวเปลี่ยวกายายิ่งยินดีพลาดหมู่มาสแสวงหาความสงบพบคู่หาผาสูงจงจิตคิดสังเวชเป็นเหตุให้ขยันหมั่นภาวนา แม่จะโศกาในเวทนาทุกข์ก็ภาวนาผ่อนถอนอารมณ์ไว้เพราะหวังจะพ้นภัยในโลกสงสารอุทิศต่อพระนิพพานเป็นแม่นมัน่นหันหน้าลบกลับมารต่อต้านจริงใจให้กิเลสมารห น, นีไปไม่คืนมาขันธถ้ามารคือขันธ์ห้านี่แลหรือม า, ารศาสดาจาร์กล่าวไว้ไม่ถือมัน่นใครถือมั่นเป็นของหนักมักพ่าลมเที่ยวจำจมอยู่ในโคลนวนสงสารเพราะเหตุว่าเดินตามมาครคลานตามจนมันป่นสัตว์มัดไว้ให้โศกให้เศร้า รอยเท่าพันธวีชาติพบนับไม่ครบเลยนี่ก็จัดเข้านแผนปิติหรือจะเรียกว่าปิติฟงสร้างก็ถูกจะว่าปิติให้ทำแตกฉานก็เชิงควรพักอยู่ถ้ำพระเวทนั้นดูดดื่มไม่ถอยจิตใจโอนไปน้อมไปในทางพ้นทุกโดยด่วนในปัจจุบันมาชาติกลายเป็นเรื่องนึกถึงคุนพระนิิพานว่าเป็นเครื่องระงับกิเลสและกองทุกไปในตัวแม้อย่างต่าไปอุดจารกรรมไปปัดสาวกิจก็วิเวกไปในตัว แต่ไม่ได้สําคัญตนว่าประเสริฐเลิศลำเกินภูมิของธรรมอันใดเลยขออยู่ใต้อํานาจของพระพุทธธรรมสงเสมอไปผูกขาดแล้วเป็นสัจจะบา ร, รมีสัมปันโนเป็นอัติฐานบา ร, รมีสัมปันโนขะตัวจิตชั้นนี้ธรรมชั้นนี้เมื่ออยู่ในป่าในเขาคนเดียวองค์เดียววิเวกบังเวงคล้ายกับว่าข้าวก็อันเก่ากับก็อันเก่าแต่เมื่อเอาไปฉันในป่าในเขาเพราะหมดหวังอาหารอื่นๆ ก็ต้องสนโดจอาหารที่มีอยู่ต่อหน้ารสชาติอาหารก็เพิ่มขึ้นทวีเหตุ น, นั้นธรรมะคำสั่งคำสอนจึงหนักแน่นให้ยินดีในที่สงัดป่าดงภงเขาไม่ได้ไปส่งเสริมในที่คุกขี่และที่อืกระทึกแต่ผู้มิได้เคยดื่มกายวิเวกแล้วจิตตะวิเวกก็จะมาจากประตูใดย่อมเป็นไปได้ยากอุปทิวิเวกก็โดยในเดียวกันนั่นเองแต่ผู้ไม่เคยได้ดื่มรสวิเวกย่อมถือว่า ที่อึกกระทึกอาตาดีถูกกับข้าเพราะข้าเป็นคนไม่คับแคบหมู่ของข้าก็มีมากเพราะข้าเป็นคนทันสมัยไม่ไล่ ย, ยากขาดนิดเลยไม่ใช่มาพราวตาเดียวไม่ใช่คนอ่อนสังคมเลยไม่เก้อไม่เขินในสังคมเลยมักได้ยินอย่างนี้เป็นส่วนมากนักหนาแต่ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของโลกสันมีวัฒนเพราะกรรมและผลของกรรมแต่ละลายไปถ้าจักพิจารณาถึงสัตว์เดรัจฉานบางจําพวกแล้วเช่นอื่นอัง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 ทางชั่วก็โดยในเรื่องเหตุเหตุผลผลนี้แยกออกได้เป็นสองทางทางหนึ่งเป็นทางโลกีทางหนึ่งเป็นทางโลกุตละเหตุผลทางโลกินั้นเหตุใจผลใจหนักไปในทางวัตถุนิยมเป็นเจ้าใหญ่นายโตของเจตนาลมเหตุผลไปทางโลกุตระนั้นเหตุใจผลใจหนักไปในทางบันเทาและพยายามแก้กิเลสและความหลงของเจ้าตัวไปเป็นตอนๆจนถึงที่สุดแห่งความหลง สิ่งเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวจะรู้เจตนาลมของตัวเองมิฉนั้นการปฏิบัติธรรมก็มัวสุมไม่แจ่มแจ้งเฉพาะตนด้วยเพราะทำแท้ใจแท้อันประกอบด้วยส ต, ติปัญญาอันถูกต้องย่อมเป็นปัจจับตังคราวที่พักอยู่ถ้าพระเวทนั้นน่าพิจารณาอยู่ตอนหนึ่งว่าชะไหนญาติโยมจึงไม่รู้จักปวารณาไม่ขีดไปเทียนไขบ้างชลอยจะเป็นด้วยวาสนาของตนเองก็อาจเป็นได้ หรือฉลอยพระที่ไปอยู่พักที่นั้นแต่ก่อนเคร่งขรดไม่ทะเดียงวจีวิญญาตแต่ก็เป็นการถูกต้องดีแล้วแต่เขาไม่ปภาวณาก็ไม่สงสัยว่าจะเอ่ยเลี่ยงเคียงและโอภาษ์แท้จริงข้าพเจ้าก็ขาดไม่จีบไปและเทียนจุดมานานแล้วเสือและหมอนก็ไม่ได้เจอมานานแล้วแต่อำนาจความพอใจอันยอมเป็นยอมตายกับทางพระพุทธศาสนาเพื่อคนทุกข์ก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปไม่ได้เป็นอารมณ์หนักใจ ย้อนกืนมาปลาลบที่ไปถึงถ้ำพะเวทในวันแรกตอนกลางวันพักเอ็นกายลงครู่หนึ่งประมาณสองนาทีตายังใส่แจวอยู่มีคนผู้ชายคนหนึ่งสูงผิวดําล่างใหญ่โตอายุประมาณสี่สิบปีกว่านุ่งผ้ายักหลังและเห็นไกลจากที่เห็นกายประมาณสองวาเดินเข้ามาสองก้าวก็ถึงอย่างพึงไายนักแล้วก็กําลูกอันทะทั้งสองมือดึงแล้วรู้ตึกอ่อนเพลียลงมากโดยเร็วพลันมีสติระลึกหวนขึ้นในใจว่า นี่หรือที่เขาว่าผีอํากั้นใจยกขาขวาขึ้นผีไปอย่างแรงเวลายกขาคู่เข้ามาก็ว่าพุดยันออกไปก็ว่าโถก็รู้สึกหายว่าไปมนุษย์ก็หายไปพร้อมด้วยคงจะเป็นผีปีศาจก็อาจเป็นได้แต่จิตใจคำหนึงแบบเย็นเย็นอยู่ไม่นึกกทวงก็เลยเป็นเหตุให้รู้ได้ชัดว่าผีผีนี่มีจริงแท้แต่นั่นไปก็ไม่ปรากดเห็นอีกเลย